ในทางธรรมะตามสมควรแก่เวลาก็ถือว่าอากาศจะร้อนสักหน่อยเนาะข้างนอกแต่ข้างในเย็นสบายก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่าเรามาทำบุญเนี่ยทำกุศลการฟังธรรมถือว่าเป็นบุญกุศลฟังธรรมเพื่อว่าจะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปแก้ปัญหา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 ธรรมะเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องเหนือโลกเรื่องเหนือโลกนี่ถ้าเป็นเรื่องดับทุกนะถ้าเรื่องทุกทุกความทุกมันก็เป็นเรื่องในโลกนี่แหละในวัฏสงสารด้วยถ้าเรื่องดับทุกแล้วก็เป็นเรื่องเหนือโลกวันนี้ยธรรมะง่ายๆนะเริ่มต้นกันเหนือโลกแนละ้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 ก้าวหน้าต้องมีการเรมิดแล้วก็มีหลักธรรมคาสอนที่ถูกตรงกับสัจธรรมมุ่งเข้าสู่ความดับทุกข์หลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องนั้นน่ยมันจะต้องเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อความปล่อยวางเป็นไปเพื่อความไม่ยึดติดเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงจึงจะเป็นหลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องถูกตรงกับที่พระเจ้าได้ตรัสรู้เราอาจจะศึกษาหลักธรรม เพิ่มเติมก็ได้เนี่ยถ้าพูดถึงธรรมะเนี่ยมีเยอะ 84,000 สพันพระธรรมขันธ์เราเลือกเฉพาะธรรมะปฏิบัตินำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันดีกว่ามันง่ายมันขมวดหลักธรรมเข้ามาใกล้ๆตัวเราควรจะศึกษาเรื่องพระไตรลักษณ์ขันธ์ห้าอริยสัจสี่สติปัฏฐานสถือว่าเป็นหลักธรรมที่สาคัญมากศึกษาเพื่อนาเอาไ ป, ไปปฏิบัติแบบย่อ ไม่ต้องเงย็นเยอะศึกษามากพอทีตายก่อนก็ไม่ได้ไปฏิบัติสักทีเอาสั้นๆเนต้องศึกษาหลักธรรมแล้วก็นำเอามาไปใช้มีเพื่อนมีมิตรแล้วต้องมีหลักธรรมที่ถูกต้องผมเองก็ชอบศึกษาหลักธรรมสั้นๆอย่างเช่นนะผมเคยอ่านหนังสือที่เป็นพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ว่าจิตเนี่ยมันมีความประพัฒสอนอยู่ก่อน คือผ่องใสพระพัสสอนอยู่ก่อนที่จิตต้องมัวหมองไปก็เพราะว่ามีอุปกิรลสเป็นอาคันตุกะมาสู่จิตทำให้จิตนี่ต้องเศร้าหมองหรือมัวหมองและอีกไม่ช้าไม่นานอุปกิรล์นี้ก็จะจอจากไปหละทธเป็นแค่เนี้ยโอ้ทำให้เราได้วิธีการปฏิบัติมากมายได้แง่คิดเหมือนจะหลุดพ้นที่ลึกซึ้งมาก นี่เขาประพัฒสอนอยู่ก่อนแล้วที่จิตนี่ต้องมัวหมองไปก็เพราะว่ามีอุปกิเลสเป็นแขกจอนมาคําว่าแขกนี่มันอยู่ไม่นานละเดี๋ยวก็จอนจากไปแล้วจิตก็จะประพัฒสอนผ่องแผ้วเหมือนเดิมเพียงบทแค่เนี้ยหลักธรรมแค่เนี้ยให้เราก็น่าจะนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นรพอดีไปอ่านแนวการ ปฏิบัติธรรมที่ท่านอาจารย์ผู้ทานได้เขียนไว้เรื่องของจิตว่างสุญญตาก็ไปอ่านประกอบแล้วก็อืมอ่านเพงแค่นี้นะมันเหมือนจะบรรลุธรรมนะรู้สึกมันทําให้จิตมันว่างๆนี่มันง่ายมากทําให้จิตมันว่างๆวันๆหนึ่งมันทําอะไรอทําให้จิตมันว่างๆเขาไว้อย่าให้มันมัวหมองก็ไม่ต้องทําอะไรนะวันๆหนึ่งก็ไม่คุยกับใคร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 อะไรมากระทบเนี่ยโอมันมันรับไปหมดเลยกลัวกลัวความฟุ้งซ่านรักษาความว่างแต่ขณะรักษาเนี่ยมันไม่ว่างอะนะไอตัวรักษาทําให้จิตไม่ว่างไ <c oughs> ม่อย่างการอยู่ในห้องนี้คนเดียวคุณอย่าเข้ามาห้องนี้มันว่างคุณอย่าเข้ามาไล่อคอนโดขึ้นนี้อยากให้ห้องมันว่างแต่ลืมดูไปว่าเราคนหนึงทำให้ห้องไม่ว่าง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 จะทำอย่างไรหลักธรรมคำสอนเนี่ยเป็นเพียงวิธีการแต่เราต้องเอาไปไปฏิบัติการนะวิธีการอย่างเดียวเราต้องเอาไปไปฏิบัติการคือต้องไปไปฏิบัติธรรมนะเพื่อให้เป็นการพิสูจน์พิสูจน์หลักธรรมตรงนี้ให้เข้าถึงความประพัฒสอนของจิตให้ได้ด้วยการปฏิบัติธรรม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 พอรับแสงปับ๊บเอก็สว่างเบิกบานไปเลยแต่เราในฐานะที่ว่าเราเกือบจะพ้นน้าอะ่ะต้องฟังธรรมกันบ้างปฏิบัติกันบ้างร้องผิดร้องถูกเพื่อให้มีประสบการณ์การปฏิบัติธรรมคืออะไรก็คือการเอาจิตมาลูความจรงิงปฏิบัติธรรมการเอาจิตมาลูความจรงิงให้จิตมีประสบการณ์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 ชีวิตคือการต่อยอดเราต่อยอดในทุกวันนะเป็นชีวิตใหม่ในทุกวันนะอย่าคิดว่าชีวิตเราถอยหลังลาหลังไม่ใช่มองว่าชีวิตคือการต่อยอดไปสู่ความพ้นทุกข์หรือไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเราจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตถึงแม้น่าเราจะอยู่ที่เดิมที่เก่าเราก็ต่อยอดจากของเก่าให้เป็นของใหม่ก็ได้ นังการปฏิบัติธรรมคือการเอาจิตมาลูกความจริงให้จิตมีประสบการณ์ชีวิตระควรจะวางจิตใจให้ถูกต้องเนี่ยการเริ่มต้นการปฏิบัติก็คือตรงเนี้ยเราต้องเริ่มต้นจากการวางจิตที่มันเป็นประพัสสอนไว้ก่อน <c oughs> มันจะได้สอดคล้องกับของเก่าๆ เ, เ, เดิมของจิตสอดคล้องของจิตที่เป็นประพัสสอนพ่องใสยอยู่ก่อนเห็นไหม มันต้องเริ่มต้นนำร่องจิตได้แบบนี้นะเริ่มให้ถูกต้องรับรองในถ้ำกลางก็ถูกต้องที่สุดก็ถูกต้องเข้านิพพานได้ถูกถ้าเริ่มผิดนี่เข้าทางผิดก่านนิพพานนะนิพพานไม่มีประตูหลังนะมีประตูเดียวนะเริ่มต้นให้ถูกต้องซะก่อนอย่างกับอะไรผมเคยอ่านของใครไม่ทราบนะเขาบอกว่า ถ้าเราเริ่มต้นผิดทางเดินก็จะผิดจุดหมายปลายทางก็จะผิดไปด้วยเหมือนอย่างกับติกัะดุมเม็ดแรกกระดุมเม็ดแร ก, กรมเ ม, รกม็ดเดียวที่ติดผิดเม็ดต่อไปก็ย่อมผิดและก็โทษว่าช่างเ็าทำกระดุมไม่เท่ากันทำกระดุมเกินลังดุมทำกระดุมขาดไม่เท่ากับลังดุม การปฏิบัติก็เหมือนกันนะต้องเริ่มไม่ถูกต้องได้จิตที่เป็นปกติประพัฒสอนมีอยู่ก่อนแล้วมันเหมือนจากบรรลุ ธ, ธรรมโดยที่ยังไม่ก้าวที่ซ้ำไปแต่ว่าเนื่องจากาเราต้องอาศัยรูปแบบในการปฏิบัติบ้บางมีรูปแบบเนี่ ย, ยเช่นการระเสติมีหลายอย่างจะเป็นแบบบริกรรมต่างๆนาะนาะนะหรือแบบสังเกตลมหายใจและไม่บริกรรม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 รู้ใจแบบดูดูรู้แบบห่างๆก็ อ, อย่าไปจี้มันจิตมันจะเป็นกลางไปเองอย่าติธรรมมักจะมีปัญหาว่าลอยนี่มันติดเพ่งจะทำไงให้มันไม่เพ่งมันไม่ยากหรอกทาให้ไม่เพ่งอะ่ะก็รู้แบบเบาๆสบายๆอย่าไปจี้รู้ห่างๆแบบคลุมๆอย่าไปจี้จุดใดจุดหนึ่ง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 สองกระจกเงาเนี่ยมีกระจกเงาอยู่บานหนึ่งถ้าเราจะเห็นตัวเราให้ชัดเจนเนี่ย <hazards already experiment ed> เราต้องถอยออกมาจากกระจกสักระยะหนึ <Miz> ่งเราจะหมุนซ้ายหมุนขวาก็เห็นตัวเราได้เต็มตัวเลยถ้าเข้าไปใกล้เนี่ยบางทีมันมึนนะมองไม่ชัดต้องมองกว้างการรู้ห่างๆรู้นานเนี่ยจิตมันจะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเองมันมีประสบการณ์ไม่ใช่ว่ามันไม่ชัด เราก็ไปบังคับจิตให้มันรู้ให้มันชัดเนี่ยเราไปบังคับจิตละเราไม่ให้เกียรติจิตมันบ้างเลยเขามีความสามารถเป็นแค่นี้ก็ต้องยอมรับเขาไม่เป็สิทธิ์ของเขาแต่ว่าเราไม่พอใจกิเลสไม่พอใจมันต้องชัดกว่า น, นี้ไงไปบังคับจิตให้มันชัดซึ่งไม่จําเป็นหรอกจิตเมื่อเขารู้ดนานาเด่ยเขาค่อยๆปรับตัวเขาพัฒนาเก็บรายละเอียดของอารมณ์ไปเอง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 แล้ทีนี้ถาว่าเรารู้จิตสติไปเนี่ยจะเป็นจิตหรือกายก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีอารมณ์เข้ามาผ่านมาจะเรื่องของกายเรื่องของความคิดต่างๆการปรุงแต่งต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีแต่ความแปรปวนเปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้ใกล้ๆหรือไปเพ่งไป บ, บังคับเนี่ยจิตมันจะหมุนไปตามอารมณ์นะ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 เมื่อเริ่มต้นรู้สึกตัวใหม่มันก็จิตดวงใหม่เกิดขึ้นเพราะจิตดวงใหม่ก็ขึ้นมันก็ดับมันจะรู้ชัดไปจังก็รู้สึกตัวใหม่ให้รู้ใหม่ใหม่ใหม่เรื่อยๆชีวิตมันจะใหม่ตลอดเวลาเพราะจิตนี่มันไม่ใช่ว่าเกิดแล้วเกิดนานนะมันดับปับบป๊บเกิดใหม่ดับปั๊บเกิดใหม่ทีละขณะขณะก็รู้ใหม่รู้ใหม่จิตที่รู้สึกขึ้นมาใหม่เนี่ย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 ไปคิดซ้อนคิดทําไมแล้วก็แล้วกั น, กนไปล้มหมากล้มกระดานรู้สึกตัวใหม่หมเห็นไหมเนี่ยแหะมันจะมีชีวิตใหม่ทุกวันนะทุกขนาดจิตได้ซ้ําไปสบายเลยทีนี้ว่ามันมีปัญหาที่ว่าบางคนเนี่ยเจรอสติมาแล้วหรือเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเวลามีอารมณ์มากระทบทีไรเนี่ยจิตมันต้องรับอารมณ์อย่างรุนแรงทุกทีเลย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 แต่มาสนใจมาเอาจริงของจังที่จิตผู้คิดผู้นึกมันเห็นกันเองไม่เจตนาจิตมันก็ทามาทีของมันเองมันเบื่อที่จะรู้กายแล้วมันตั้งมั่นแล้วมันก็จะเก่งปีก้าขาแขนออกนอกกายไปสนใจกับจิตเห็นัหมและตอนนี้ยากที่จะหลงแหละเพราะว่ามันมีความมั่นคงมีกำลังอยู่แล้วมันจะเห็นจิตผู้คิดนี่มันเกิดดับเกิดดับนับไม่ทันเลยนะ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 เห็นการเปลีป่ยนแปลงชัดเจนมากมาเห็นจิตผู้คิ ด, ดนานแล้วเนีย่ยมันก็ย้อนจิตมันย้อนกลับมาดูจิตผู้ดูเองเออดูตัวเองมันย้อนกลับมาเองใช่ไเดี๋ยวมันก็มารู้ตัวเราเดี๋ยมันก็ไปรู้จักอารมณ์หลายอย่างมันจะเห็นว่ากระทั่งจิตผู้ดูกับจิตผู้คิดเนีย่ยมันมีราคาเดียวกันมันเหมือนกันอยู่ในกฎตาักทั้งนั้นแหละ เห็นความไม่เที่ยงความเป็นตัวความไม่ใช่ตัวใช่ตนทั้งจิตผู้ดูแล้วก็จิตผู้คิดมันเสมอกันตรงที่มันไม่ใช่ตัวตว น, นแล้วงั้นแหละมันพัฒนาเป็นลำดับขั้นแบบนี้จิตมันก็จะรู้สึกเหมือนไอ้คนศึกว่าถ้าวางทั้งสองตัวได้เลยไมทั้งจิตผู้ดูจิตผู้คิดแล้วก็มันจะมีความรู้สึกมันเหมือนคนไม่มีจิตนะนะ พอวางจิตไปแล้วมันเหมือนคนไม่มีจิตมันจะมีความรู้สึกกว้างๆเบาๆอิสระเสรีมันเหมือนชีวิตที่ไม่มีจิตมันมีเพราะที่มันว่างกว้างๆเป็นขอบเขตที่มันไม่มีตัวอยู่นั้นพอไม่มีตัวม่แล้วก็ที่ตั้งของความทุกข์ก็จะไม่มีนะมีแต่ความสดชื่นมีความผ่องใสเบิกบานเป็นประพัดสรซึ่งไม่มีตัวอยู่ในนั้นมีแต่สภาวะ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 เอาจิตมารู้ความจริงแล้วมันก็วางไปได้ใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็มีปัญหาบางคนถามว่าโอ้เนี่ยเขาจเจริญสติมานานทําไมเวลาอารมณ์มากระทบปับ๊บสติมันเกิดไม่ทันทีทําไมสติเกิดไม่ทันทั้งที่เขาจเจริญสติมานานทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบแต่เวลากระทบอารมณ์ม่แล้วก็สติมันเกิดไม่ทัน อารมณ์มันเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก่อนที่จะปฏิบัติเนี่ยเขาไม่เคยโกรธแต่พอมาปฏิบัติมันให้ถึงโกรธบ่อยโกรธง่ายโกรธเร็วที่จริงเขาก็โกรธนะแต่เขาไม่รู้สักค่ะแต่พอมาปฏิบัตินี่สติมันเริ่มเห็นนะ่ะแล้วเห็นมันโกรธบ่อยๆแต่เราเพีงเยงแตยว่าไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากให้มันเกิดมันก็ไม่เป็นไรนะใครก็ตามที่มันยังโกรธยังสุญเสียอยู่ไม่เป็นไรนะ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 อย่างเงี้ยพอกระทบอารมณ์ปั๊บจิตตกสติแตกก็ขันติตามเลยถ้าจิตตกนึกถึงแก้วใสๆนะพอจิตตกปับ๊บมันก็ต้องแตกสติเกิดโอ้ไม่น่าเลยเราไม่เป็นไรหรอกขันติก็ได้เดี๋ยวสติก็ตามมาเองอย่าดูถูกธรรมะขั้นพื้นฐานมีประโยชน์มากใช้ไปก่อนใช้ขันติไปก่อน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 ผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยจะคล้ายๆกันชอบหาที่เงียบๆไม่ชอบมีใครพุกพลานไม่ชอบมีเสียงดังชอบอยู่เงียบๆคนเดียวใครอย่ามายุ่งนะนอน้อผมก็เหมือนกันนะแต่ก่อนเป็นแคจริงนะทุกอย่างจัดสิ่งแวดล้อมให้มันถูกใจอยู่บ้านนคะรสวรรค์เนี่ยนอนปฏิบัติอยู่คนเดียวก็รอจังหวะาอคุณพ่อคุณแม่ลงไปทำงานแล้วว่าเรานี่คนเดียวสบายเลย นอนพลิกมือรู้สึกพลิกมือความรู้สึกรู้อยู่ที่บ้านนครสวรรค์เจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยพลิกรู้สึกไปตอนนี้ว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมปิดเทอมนี่ลูกหลานก็จะมาที่บ้านมาแล้วหลานอยู่ที่บ้านกำลังนอนเจริญสติอยู่ในห้องห้านเปิดทีวีอยู่ข้างนอกโอ้โหมันชุนกกเกือกๆนะ แต่ว่าไอ้ความเป็นนานะจะไปดุหลานก็น่าเกลียดไม่เป็นไรแล้วลอดทนไว้ก่อนใจก็อดทนนอนพิกมืออดทนทรมอดทนจิตสติใช้ความอดทนใช้ความขันติในการจริตสติรูสึกตัวไปเวลาเสียงมันดังก็เราก็แหาลำคาญจิตไปกับเสียงไม่เป็นไรอดทนกลับมารู้มือเคลื่อนไหวเปล่อปั๊บจิตมันก็ไปกับเสียงแล้วกลับมาเพ่งมือเคลื่อนไหว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 เมือเราจะกรเยอไปไหนไหมเนี่ยทางโน้นดึงไปดึงมาเนี่ยมันทําให้เรามีกํำลังได้ก็มีกําลังก็เห็นว่าอ๋อเสียงนี่ทางโ น, น้นนะไอ้การขึ้นไหวทางนี้มันแยกเสียงออกจากกายนะจริงมันคือรูปประธรรมเหมือนกันนะรูปเสียงกับรูปกายมันแยกออกจากกันเนี่ยมันมีสติสตีมตรงกลางเนี่ยนอนพลิกมืออะไรเงี้ยเสียงอยู่ทางโน้นสติตรงกลางอ๋อมันแยกเลยเนยีสติตรงกลางจิตสติผู้รู้ตรงกลางนะ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 แต่พอวันไหนเขาไม่เปิดทีวีเราก็แยกไม่เป็นเลยนะพอโรงเรียนเปิดเด็กไปโรงเรียนเนี่ยมันมันชักจะเพ่งๆนะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเราเพ่งนานๆก็เนี่ยมันเกิดว่าอ๋อถ้าเพ่งแล้วมันเครียดถ้าเพ่งแล้วมันเครียดมันเครียดมันก็ทุกจะเลิศสติไลทุกทกทีเป็นราว่าเราเข้าไปอยู่เข้าไปเป็นจิต ม, มันก็ถอยเอ า, ามารู้เองมันถอยระวังห่างมารู้เองเห็นไหม มันก็ได้ปัญญาแนละคันติเนี่ยใช้ไว้เถอะนะคุณพ่อคุณแม่ให้มาไม่ต้องมีสติปัญญาแล้วมากมายคันติไว้ก่อนเราอยู่ในโลกนี้นะเราเกิดมาในโลกนี้เป็นโลกแห่งความอดทนอดกั้นถ้าเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในโลกนี้เนี่ยจะต้องรู้จักอดทนอดกั้นแม้ว่าความอดทนมันไม่ใช่ภาะวะสูงสุดของธรรมะ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 จิตรพวน ส, สอนคือจิต ท, ที่มันผ่อนคลายเล่นเล่นสบายสบายแล้วเราก็นาเอาจิตภพัน ส, สอนเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างจะทำงานอะไรก็ทำด้วยจิต ท, ที่เป็นปกติง่ายๆผ่งองใสนยจะอยูยทย่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวจิตแล้วก็ผ่องใสยอยู่กับการใช้ชีวิตทั้งที่บ้านที่ทำงา น, นที่ไหนๆก็เริ่มต้นจากจิตผ่องใสไว้ก่อนภาวนสอนไว้ก่อนไม่ว่าเราอาจจะ